ทรงอนุญาตให้ภิกษุอาบน้ำได้ในสมัยที่ทำงาน360สมัยนั้นภิกษุทั้งหลายทำงานมีความยำเกรงจึงไม่อาบน้ำสามร้ 360. สมัยนั้นภิกษุทั้งหลายทำงานมีความยำเกรงจึงไม่อาบน้ำจำวัด ท, ทั้งทั้งที่เนื้อตัวยังชุ่มเหงือ่อชีวันก็ดีเสนาสนะก็ดีเสียหายภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกล่าบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พระผู้มีพระภาค ร, ราบสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายยังไม่ถึงครึ่งเดือนเราอนุญาตให้อาบน้ำได้ในสมัยที่ทำงานแล้วจึงราบสั่งให้ภิกษุทั้งหลายยกสี่ขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้